189. ยสิามาธายศตตกะว่าด้วยการดอกกระถินด้วยการนำจีวรติดตัวหลีกไป7กรณี 312. ภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไปคิดว่าจะไม่กลับการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยหลีกไป ภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรหลีกไปอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทาจีวร น, นี้ที่นอกสีมานี่แหละไม่กลับให้ทาจีวรผืนนั้นการดอกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทาจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรหลีกไป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 ในอาวาสนั้นกระถิ่นดอกเสียแล้วการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากาหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกรานกระถินแล้วนำจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทาจีวรผืนนั้นทาจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับแล้วล่วงคราวกระถิ่นดอกที่นอกสีมา การดอกกระถินของภิสูุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยล่วงเขตภิกษุการานกระถินแล้วนําจีวรหลีกไปคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาให้ทําจีวรผืนนั้นทําจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับแล้วกลับมาทันกระถินดอกการดอกกระถินของภิกูุนั้น ชื่อว่าดอกพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายสมาธายาสตะกะที่สองจบ